ถ้าเไม่ด่ให้ามดาจะเอาไปเก็บเหล่ัเกักยม้อมคำดอกเชื่อแบบนานแบบนานแม้ว่าอารมณ์ส่เเข้ายังต้องใจเยจมานกา้ร้ได้ไหมถ้าาะก อย่าเหงาต่ตอนน้เหไม่เไม่หาเิเขาอจงแค่นนก็่ปเ้ใะมีแต่ย้าย้จโจจจ เรเรียนเจ้าใจใจใจตาเราไม่ารุณเดียมีการไม่จัดการยกคนเดทำเองทำเองแ้วก็ทำเสร็จแล้วก็ ทม่ใช่าเียตายดน่ถึงนะถ้าเรียกเขาถ้าเรยกเขาจะียกไดหมแค่เไม่มีารเรีกอาจะต้าวารยกจะเเรที่จตราิดว่จะตดทิ้ไปเลยนะการชนะแล้วเสีย้ดมยแต่เรียกแห้ว อตายจากเจ็นมาจ้าดิลา้าหลวงพ่อเอ๋เอาว่าอย่างนี้ทุทชาติทุกยุคท่านสมัยพอที่แรกจะตายลูกไปยบอกกั่านว่าพ้าวพระครอเขาจะห่อบูรณ์นะท่านจะเลยมอบเงนมาถึงร้อยบาทแต่เพื่อร้อยแล้วลูกก็เอามาถวายตับหพ่อ แล้วท่านก็ยังทำอยู่ว่าหานผาจะร้อยได้ไหมสิบใบค่ะแล้วท่านก็ามว่าลูกมาลายูกเขาบอว่าวันที่เราขถะสาหรอสมที่ส่ท่านบอกว่าเออจะไมแล้วนะห้้ันจะตายจิงเลยไแล้วมันตายไปแล้วแล้วก็มาเข้าแล้วก็มาบอกหวยลูกหลานถึงนวแต่ที่ลูกเขาผวาแตลกนอยูกเขาตัดความอยากน กาจารย์ต้องเรยว่านช่ง้ท่ันนกถึงเรื่องรานอย่าเป็นยัง่านีเขาไปถามเดี๋ยวท่านจนอย่างนี้อาจารย์ตง้ไ้ยาม ใชเรียนรู้แล้วแต่าคุณเนใจไม่คิดดเหยทำไับเพราะอาจารย์พูดจารยาปน้ใจเาได้ะเฮ้ยไม่าอฮะฮะฉไเห็นเาคงอย่างนี้อ่านไ้หมว่าไม่เห็เขาเหาายน โอ้โหอด้แต่กระตุ้น้าวเล่ถ้ากินข้าวเปล่าลงสองตอนไินก็จะเกิดขึ้นเยอะเลยนะใช่ใเอ้ยได้คำว่าตอนทานกินก็คือว่าอ่าักทานที่ใช้ปรานหลวงพ่าเป็นประทาที่เหมาสมอย่างนี้นเก๋เลยนเออขึ้นมาเหยนะลงไม่ได้เลยนม่ลงเอะนอ้โหาก่ไปเยอะเลยอากลงดูเข้าไปดู อ๋อคุณพี่ก็เคยบอกล้วทำงานเรด่องของไฟมีเยอะมากตาเท้ากระดงสุ่ยไหล่ลงข้อปวดหลังตอนตอนจะนอนโยกโยกจะต้องพอลราทำมาหาตอนหลับข้างนอนติดเต๊าะติดลงข้าแล้วรูกตัวว่าตามไปที่นี้ใครแ้านบอกว่าอารมณ์ถึงแปดเลยด้วยคือตอนหลับที่มันอุดต่อไปได้เรือต คอเป็น่าไคือไม่ที่ได้เข้าตาเลยคือถึงแตลว่าเป็นแบบไม่เป็นไรเพราะนั่นเวลาเย็นเราจะกมีนคือโอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้รอ้โอ้โอ้โอ้ตอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้้าอ้โ้โอ้้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โออ้ออ จะดคิดตามวาะหประมาณการว่ี่เขาจะเปนอะไรราบอก่าหลวเขาขอคุณตเขาขอ้าหาได้ด้วยด้วยตัวเดียวเท่านั้นยังไม่พเขาติดตัวเดียวเดียวที่เขาใจมันออ่าเขาจะได้ไหมลายได้ไม่ได้เลยอ่ากต่ยืสิ่งแคนี้ราคาจริงๆรเราคาเขาต้องใช้เวอร์รี่ที่เขาจต เออท่านกทนที่อทาีอ่น้า้เราากอ่าผได้ถ้าเาลด้ถรก้ารทก็าเราทำผิ้าทกเราก็ได้ถ้เิดกาเดไาเรได้รทำก็ได้ถาาทกาเราทก้เิดกเรา้เ็ร ย่อมพิษหาเพื่อตามเราด้วยหาให้เขาได้แก่แก่แก่แต่าร้อยแ้าอังไม้าร้อยถามเลยได้ยินได้ก็ไม่รับเงินแต่พิษหาได้ล้ได้ไดก็ไม่ถือว่เรื่องจ้างต้องมาเรื่องยาวถ้าถามหาจะเรื่อว่าจ้างเลยยืมเงจ้างโดยตอะไรต่า ทไมกะแ่ไม่นก็แล้วกล่ะจะม่เ็ายก็็กก็็กก็ก็ร็จะหันก็็ อ่าก็อวกฟังหอกดียเขาเ้งเลียงหอกนิดน้อตัวเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงฟังหอกเนี้ยไม่เลี้ยงกเป็นขลยนะฟังเนะครับอ่าฟิธีการอ๋อเป็นโจรเลี้ะเลที่เขาเลี้ยงตัวดีเลี้ยงมากนะเวลาที่เขาพข้ามเยอาต่างประศครั้งหนึ่งพาหมดว่ามันยังที่ยบรจะ้งา่างน้านเากลมามาเรื่ย ะ่วตายาวไม่หายก็มารึกษาลว่อถ้าผาหรือไม่ผามีขาอเยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าาฮาฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ้า่่าา่าา การค้า่อเป็นรถรทเสนะขอเลยว่าหลวงพ่ราบรามรถังนี้คแ่ต่ล่อาจ็เยนะแม่รลาไม่ถ่ลยคุณม่็ตัวเน้ยนะที่เป็นันคนนี้ก็ได้ก็กได้ก็ได้ก็ได้ก็ไดาก้ได้ได้ก็ไดได้ก็ได้ก้ได้ก้ก็้ก็ได้ก้ก็ไก็ไกก้ก้็ ให้บริการจำนวาาูมาเลศิลาน้ว่แล้วอพรขาพรว่าเหมือนกันแล้วกอร้อยเวรรวรมาเววไม่ไม่ขทุนมากแ้มันงนมากมากอันนีฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่่าา เราตัด่้ายนนใจสว่างใช่เขาต้งดีเลยเขาต้องเขาทแล้วนี่ยเขาจะให้เพื่นเพื่อใช่ใช่ใช่เขาเนี่เขาทาดีก็เรื่อเขาเขาได้เงินยามคนไม่ดีก็ยามมนะแต่หลายท่านทมแค่เดียวอารมณก็ดีไม่อรใจก็ดีนะจิตใจไม่คุ้มกับมีเสน่ห์ไม่สมันมน่ แลมีมขอมตัว mm. ีแค่นอยกวาคนงานยามารัระจายที่ใ่าล้วเ้าลมันเป็นร้านแล้วเรา้อรก็ขอตอบเรื่ออนี้าว่ากาฆ่ัพาธระเบิดกระอดออโถี่ก็ภรายาของมประสบผูมิปัญหาเรือเลดขาสมองไวแลงไเลยทาให้พูดง่ามม เออดังนก็ท oh, ี ể, yep. nonsense, <S <S <S <S ่ทาศึกษาละหารเองว่าเข้าใว่าเอ่อนี่กระบวนการผลิมสูหรือว่าาอะไรหรือว่าแต่รงเราผิดาวาให้บางตาเอางี้่ปนทุ่างเรียนเรียกคว่าอ่าเรีกเขา่ใช่ยืนยันนะอ่ามันเป็นทนไม่ก็มองเนั้นได้่อะไรอยู่ด้านหน้ จะบาดาด้วอาตาายก็ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ด้ฉันจะทำยิงเยอะให้มนเยอะถ้าได้ก็จะดูแลถ้าไ่ได้ก็จะลเด็ที่เกิดมาแสว่าจะรักษาอาองณ์ของม้ว่ะนี่นะละอิยิว่าบอกว่าไมาอา้ราทำก็ เพราะว่าเขาผมทำพีเปุนคนดนะมีการเป็นมิตกันาแต่เพราะว่ามีอที่หน่อรงทาการมากแ้งนไปแต่เรจะกอย่างนี้การงามันไม่ใช่ก่อการละงานไปเลยจิตไม่เคีตตเ็ที่มีก็เสด็จก็เตออยู่ยความก็าเลยแล้วมีดียุงยากจะขอเพิ่มเงิีหลงเพื่อแรนำเพื่ยเหยเพ่อให้ายไปอดี้นะ เออตอนตอนดีก็มันีอะตอนมักจะเกนเ้ินาทีนี่เอนแตะ้เะใช่ใช่ในนมีเท่านั้นไม่เืนเออขาเอออมหก็กน้็หว่ากดงมหาต้อง่านใจั่ใช่ใช่ใช่ไม่าก็หา การฆ่ามันก็เป็นเรื่องจนหลายๆีามาแล้วไม่เคยเป็นอไรเลยลูกต็งสมบูรณ์ในการทามาตราฐานอุปการในระะหลังๆนี้แพทย์รู้ไปหาหมอโรงพยาบาลว่าผีบ้าให้โ้เสียเงินไปพัหาเจ้าเจ้าอใเปี่ยนฐานทัศน์ใหม่เปดนวยตามการเลือกน้อยเหมือนเดิ พ้ะอาจาร็์พ่อองา่อว่าถ้าบ้านไหนไม่ดีผ้บ้านแต่ดให้เอาราพ่อเปกได้งแเลยเรปรึกษาหายว่อว่าขอหลวงอบอ้อกานะ่เอาใจแ่ไเรนะอยไม่ระตืรือร้นนี่ัวใจอย่าไปวาศาลสิไม่จะไปานไารศดยศาลมีเรื่องอลไ มีเรื่องได้ใจดีใจดีเป็นยาดีเป็นสมบูรเไอ่าอ่อ่าาเรื่อง่ใจจีเยายาเอ เดี๋วเราเดี๋ยวเราไปวัดก็จะไปนี่วัดก็มึงมาตั้งศาลเลยก็เจ้าเรื่องไนึงเรื่องไต่นึงก็มาก็แบบว่าเอ้ยบ้านอยู่ในวัดผีนันนานจะเปิดใจหอ้เจ้าไ้ววาาทีเลยอมก็าเล เอา่อยากทเม่็นด้อาสมิบสองเีไเรย่อยๆทุกคนได้ยินเอาอติดเรื่องก็เรื่องหาเลยนี่เออไม่เอาไเลยเอาจะแค่ทีมบ้านจีม้านใส่กันอยู่เท่านั้นเองเอ่อมีติดเรื่องไหมอาการงานการประกอบอาหาเออเรื่องแค่ัี้าเ่ทีแล้วก็ไม่้ อาเราก็จะขยับตัวไเร็่ๆอาลมีังหาขางาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอารักธมธรนนะครั่เรื่องว่าแต่ก็ตั้ใจจะฝึกให้่ายไดเลยต้งใจจะมาถ่ากัราถายกัเรงข้าแลวถายไปาให้ไายวิาตาแล้วก็ที่ตองที่รับถึงก็เเวลาถึง เรจะนอนหลับด้วยการฝาดุบอกเาไม่ได้นะเราเป็นดวงวิญญาณนะพอรุ่งขึ้นเรื่องบกเราไม่ได้นะพี่นะรุ่งเป็นดวงวิญญากันนะเราไปจะลัอมัมาว่ารุ่จะตเอาใจจิตจิตใจแล้วอะไรมาถึงที่ตึ้งนั่งเด็กกมาพูดเลี่ยวกัถทุกีจาทำอะไรกันก็เอวินทำในทาุที่รจะไป เราไม่เอาเราม่ทำเราตามเลยนะครับแต่ว่าที่ไม่กี่ยวกับก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าที่ทำอะไรก็ตามที่เราอยากทำต้อง เป็นเจ้าเมื่ที่เรืองเลย่าเป็นเจ้เมืไทยแล้วมีไใช่ใช่ใช่คุณรักจะไม่รู้ว่าต่างหากแต่ไปเราทราบทราบหลงพ่อที่จะลบจากคุณขออยู่ในเรื่องนี้นะถ้าผมเท้าไปสอบทำงานตำแหน่งใ่ข้าโยธาสองโยธานเป็นหลวงอสประอที่วัดข้าว เอพ่อสถาปารถุนมาต่อไปเม่ว่าสอบได้รื่อมอสอบไปเที่ยเที่ยวได้ยัให้สถาปารถุนเพื่อความมั่นใจยืดเลยถวายสถาทารุ่งหน้าโดยสมบูรณ์ผลการสอบประการก็ไม่ได้ต้องไปเตรียมสรจงานอย่าลืมว่าต้องถวายเพื่อถืตสมบูรณ์ต้องไปตั้งคืนยินดีนะใช่ใช่คุได้ศึ ไอ้เอาเด็กคนี้แหลเลี้ยงดูอไรเนี่ยนี่เลยไม่เป็นรยแค่อาจดแนี้อ่หน้าหนตัใหญ่ตหทุเดเยกหเามจเนเ่อาเพราะใงคนมีหมายมาบอกว่าเองได้เป็นคนสุดท้ายก็อต้องีสเอ่อเพี่รการเาี่วหน่เจ้า คือถ่ายแบบมาลาเทมาใช่ใช่าบบขบวนเรืรอบก็ไปซื้อแย่งสองชุ้นมาแล้วสองชิุนแล้วก็ขอมาแบบนี้ได้เวาเขขอให้โรบินตายมาเยอะทางไ่นนะครับลาเท้ารองเท้ากิรมาล็อมตแล้วกินชุดใหญ่จะกินแบลูกชายทานของเล่นตื่นเงท้งหมดว่า เราเวลานึ่งตายตายนึงสกแล้วโบราณิม่ใช่โบราณตเรียนโบราณเขามป็นยกาตเล็กแต่เดิมยึดเช็นโบราณไทยที่ทำทำได้แบบนี้ที่เจลูกนี่แล้วเอาไว้ที่บนศพถ้าลูกอยากจะยืถามว่าอันนี้พอสมัยความธรรมะแต่ใสและใจผลแต่รุ่งธรมและที่ตายอากอย่างนี้เขาเรีวลาอดธรรม สิ่งเจริญนี้สิ่งเจริญไม่สิ่งเรื่องมิทานไม่มีเตุเลยสิ่งเหตที่มึนเสือกามึนเสือกทเสาาเสือกยิงีอันตรายฆ่าส่เลยไม่ไ้เขาสิริญไม่่เรืมิทานใช่าสิ่งเจรไ่ใช่เรืม อาสาให้ดูอะไรที่เรื่องการเลี้ยงอสวายพระเจ้าจางพระเจ้ประเจ้าจ้างกับรืออาพระเจ้าเป็นเรือหาเรื่องที่เล่าอาสาให้่านได้ตาเท้าวลงค่อจุดร้อยจันทร์ถุนที่บ้านของลูกปีหนึ่งในกาก้ไม้สดมูคาอยู่สามพระองค์เข้ามาว่าจุดงานวัดบ้านแต่เรเข้าป่าเราให้เาบ้า ทีนี้พระตาบว่าท่านเป็นโบราณท่านบอกว่าเออไม่เป็นรูลกรลยสอผู้ว่าผู้เมืองท่านมีอุปสรรคมากายย่งไม่เบื่อเสียทั้งไปเสียมาติดลูกจะตกในหึกซงเพื่อให้ลูกยุบขึ้นมาใหม่ต้องาศุทธาในก็ึาว่าลูกจะทอยางไ็จะมีผลเสียที่ทำว่าลูกจะอยู่ได้ไหมตื่นกระทั่งเชง ก็แบบนั้นใช่ไหมทุกทีมันเนี่ยแ้วก็ทุทีมันเนี่ยทุีมันท่าที่แบ่ใอมไหแล้วงัคู่เจ็คู่ใจกันอยู่่งกอนกูันน่้ใจมัยัไม่อยู่ดงดีเดี๋ไม่ได้อะมากเลยที่ใจใจ เพ่อหนงเพืบ้านเพือหน่งเเมืองเือหนึ่งเพื่อามเเีนนะเ่งกกลัหาา่ออม้เลยาเลยมาเลยมลายมมาเลยมาเลยมาเลยมามาเลลยมเลยาเลยมมาเลมาเลยมเมามมเาเมเาเมา แลี๋ยวมัานางตาเอ็งให่มากแต่หลวงาบอกว่าเป็นแค่ที่มองตั้งแต่แท้ที่ขนต่อต่ไปแต่ภายในั้นเองก็เห็นไฟลุกเรื่องเป็นท่านไม่ทราบว่าลุกจะมีล็อกตามมีเหตุใอย่างไรลุกาขอพรมีหลวงพ่อชี้นำเพื่อให้ลูกเต็มนำใจด้วยเถิดไม่มีอะไรไม่พระช่วยผมคนต่อไปเห็น้าพเป็นเงินถึงเจอเงินเป็นลาบ ตลาดมาเวลาพม่ออกพม่าอะไรไปไปนี่ท่านเป็นไงเป็นนิงเป็นเงียูแต้เงียบแต่จริงๆข้าือยังดีนะตายตายกันไปก็ะต้องมีมีเงินเใจ่ไหมเลี้ยงวนใ่เราะป็นนอยู่เพ่อญานแต่จรายก็ได้ร้ายมากก็หลายท่านก็ต้องช่วยก พตรย์่านก็เห็นอารย่าหนม่องี่ะอาจายนือทีพราราีจา่าอีราจายอพระอร่อีาจาร่าเรื่องทานเารน่อที่รยทที่าราเงาจาน่ีารยเรื่องที่านงีราจ่านที่อเงาายเรื่อยเรื่องราจารยทานงะา่า กนแต่ลาแต่มันนัดคุยคุยเรื่องถ้าไหวงข้อจะดีกว่าถ้าลงขอใส่นุนจ่าไม่ได้จ่าไว้ก็ไม่ดีก็เลยตัดหัวใจอยนี้จะได้ขอถ้ายหวงข้อไปถ้าแต่ลงข้อจะเอาไปไม่ใด้หิือจะทำอย่างอย่างนี้ลงขอจะรับได้หรือตามยนะเอาหนุนจ่ามันเอาขายมือถืทใช้ทำขอมีเงินถุงใหญ่ ก็ไม่ได้ข้อใดๆไม่ได้ไม่ไดเลยทีใครรานใช้ภาษาที่ได้ไม่ได้เลยถ้าจับเขาจับอะไรเยอะๆกายมันดีให้มาใส่นานน่อยมาเพือไม่ใช้ไม่เวียนคือเอาใส่ยอะไหมต้องเพื่อไม่ใหเวีนไมนได้ไม่เวีน ไอ้แขนซ้ายมัน่อไม่เหยียดตๆไม่ได้จะไดล่าหลังได้แล้วมันจะมันก็เคื่อนไปนอยๆนะมันกรเจิดมาเอี่าทลก็ยเฮดีเลยจด้ยันเาเตามทเน เป็นขนาม่ตานาดนั่นเลยไม่เหมอนกันเพื่อเอเรือนะเดวเราลูกหลานเนี่ยเริจัข้อบอกว่าในวันหลังที่้นต้อง้าเพื่อรปยกาลเที่เคยเป็ข้ออีา้าง่อ้่อเขาทำยังะงไมเคตหลายเรื่องที่เคยน่ะมาที่นมอด้ีขึ้นมากมีดีผล ใช่ใช่เหตุน so> ั้นผลมันใหญ่มากเป็นไงใหญ่เหตุผลบาปมันใหญ่มากใช่ใจก็ค่อยเคลื่อนที่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่แต่ได้แต่ี่ยอะบาปก็ได้ดีแ่มันเยะรักใคร่กับอะไรก็ได้เออใช่มีเรืเองก็รักใคร่กันสนามเรือไร้สนามเรือเรื่องอะไรเยอะๆใช่ไหมถ้าติดกับการเยอะๆมัพอเล จะไม่ท้ภาหลายตาได้เยี่ยจหาไม่รู้ทักเลยชอคนเวลากแถึงอเคยฆ่าตายฆ่าตายนะไรไม่เคยฆ่าตายเเคยกันตายไม่ได้เล่ใช่ใช่แต่อันนัตตาอันนัตตาราถึงก็ก็ให้ที่เสกได้เลยใช่ใหญ่ก็ถึงเนี่อั ไม่เป็นดเ่นมี้นะตุลาท่ักการะก็เหที่จ้าวาเเป็นปโยคือข้อได้ระโยชนอต้ต่อไปาอะไร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 มาเลย้สาุ้าตาเลย้าอกู่ใ่หา้ี่หมาฮาาาาา่าาา่่า่่าาาาา่า่าา การที่มาทำให้สิทธิคนการแล้วก็คือทะลุจากโถรูปเป็นสิ่งใหม่ใหม่ต่อตั้มเลยต้องากต่อใจเร่องเร่องน้เราเ้องแรูปได้าว่ามีอะไรบ้มันคืออะไรที่ปลอราเราแต่ว่าถือ่เป็นเืองได้ก่อนถึงเวลาเรื่อง้นูจากจะเริ่มางเื้องต้นเวลาสุดท้่งสบายเปัก เรื่องถามหลว่ว่าลกเรือจะเป็นตัวเรื่องหน้ารต่อตกภนีที่ยใส่มนลูกควรจะเป็อะไรบ้แต่แบบนี้เรือก็ให้เข้าไ้เาไเท่าเวนั่าความวาอะไรทิ้เือย่างเดียวมเถ้าเิลี่นเรือละใครมาแม่ก็ทได้ไม่ใจเข้าไม่เป็น่ามาเจอหรือถ้าถาน วันนี้ก็เป็นแบนี้ได้ขั้นตัวใ่อาจะง่ายเอ้ยเก่งมากเยเอาแต่เราไม่รับมะว่าต้องอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่มีอะไรตัวลูกศิษย์บาคนกว่าลูกก็อยากจะตว่าล้วก็เลยเหนื่อยไม่เกิดการอาจตินที่เรื่องเขาเลือการเ พี่ต้องทานทักานมาหนักมากนหมดแต่ลูกที่จะหายโดยไม่เคยได้เลยยุ่งใจจะต่อว่าตัเลยเป็นพระอะไรึงไม่ได้เยื่อเไปให้งใจหนักเติไปแต่าพึ่หนักได้ไม่ได้แต่ใช่ใบไปยินไหวได้แต่ถ้าใช่าราธิไม่ทานออมาไม่ได้ไม่ได้มาเดินตร เพราะปฏิบัติที่เขาจะไปเรื่ที่เขาจะไปมาอะไรตึ้งเป็นที่หนึ่งใช่ไหมมันเป็นทางหนึ่งนี่มันทางขึ้นทางปิยาขึ้ทางมันตาไม่เหมือนกันขนาริย้นทาเกษมกษตรกกัน้นมาแล้วขึ้มาตจะไปายาเลยเสรอบางเลยยงยกตงึจากตก็สอนไม่ทำได้เขาไ ก็ยึดตัวมาที่เตียงด้วยกั p นะครับโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้้อ้โอ้โ้โอ้อ้โอ้โออ้ออ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โออ้โอ้เอ้โออ้โออ้โอ้โอ้โอ้โ้โออ้โอ้โอ้โอ้โออออ้้ออออออ้ ใ้ตายรงเลนะี่จะต้องตายเออคือไม่ัวงเรือ้องที่จะ็ตายจะตายได้กี่วันไหมใครเป็นฆ่าข้างนอเป็นตาที่เป็นฆ่าเออมัน่เคยไเลยน่คอดั้การตายเนี่ยที่รักที่้นรามใดมมีทางเลยะ้าเราต้องการมีเอออร